อธิบายความเจริญได้ที่แห่งอุเบคาและเมื่อจิตนั้นบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้โยคีบุคคลก็ไม่ทำความขวนขวายในอันที่จะทำจิตให้บริสุทธิ์อีกเพราะไม่มีสิ่งที่จะต้องทำให้บริสุทธิ์ชื่อว่ายอมเพ่งดูเฉยซึ่งจิตอันบริสุทธิ์แล้ว เมื่อจิตดำเนินไปสู่สมถะนิมิตด้วยการเข้าสู่สภาวะที่สงบโยคีบุคคลก็ไม่ทำความขวนขวายในอันที่จะทำให้จิตตั้งมั่นอีกชื่อว่ายอมเพลงดูเฉยซึ่งจิตที่ดำเนินไปสู่สมถะนิมิตแล้วและเมื่อชาญจิตนั้นละความคลุกคลีด้วยกิเลสเข้าไปตั้งอยู่โดยความเป็นเอกภาพ โดยภาวะที่ดำเนินไปสู่สมถานิมิตแล้วนั่นแหละโยคีบุคคลก็ไม่ทำความขวนขวายในอันที่จะทำให้จิตปรากฏเป็นเอกภาพอีกชื่อว่ายอมเพ่งดูเฉยซึ่งจิตที่ปรากฏเป็นเอกภาพแล้วนักศึกษาพึงเข้าใจถึงความเจริญได้ที่ของอุเบคาด้วยอำนาจการทากิจ ของตัตรามัชัดอุเบขาด้วยประการชนีอนธิบายความร่าเริงใจและอาการทั้งหลายคือเมื่อชาณจิตจเจริญได้ที่แล้วด้วยอุเบกขาอย่างนี้ธรรมะที่เนื่องเป็นคู่กันคือสมาธิกับปัญญาซึ่งเกิดแล้วในชาณจิตนั้น เป็นไปไม่ก้าเกินซึ่งกันและกันหนึ่งอินทรีย์ทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นเป็นไปมีรสเป็นอันเดียวกันด้วยวิมุตติรสเพราะหลุดพ้นจากกิเลส น, นานาชนิดหนึ่งโยคีบุคคลนั้นทำวิริยะอันควรแก่ธรรมะเหล่านั้นคือสมควรแก่ภาวะที่ธรรมะเหล่านั้นไม่ก้ามเกินกันและมีรสเป็นอันเดียวกันให้เป็นไปอยู่หนึ่ง การเสพอารมณ์ของชาณจิตนั้นเป็นไปในขณะนั้นคือพังคะขณะหนึ่งคำว่าในขณะนั้นหมายเอาพังคะขณะของชาณจิตกล่าวคือขณะใหญ่ของชาณจิตหนึ่งขณะนั้นแบ่งเป็นขณะเล็กสามขณะคืออุปปาทขณะหนึ่งทิฏฐิขณะหนึ่งพังคะขณะหนึ่ง การที่ชาณจิตเสพอารมณ์นั้นย่อมเสพแต่ทิฏฐิขณะไปถึงพังคะขณะคำว่าขณะในที่นี้จึงหมายเอาพังคะขณะโดยเหตุที่อาการทั้งหมดนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วเพราะโยคีบุคคลเห็นโทษอาณนิสงส์นั้นๆในความเศร้าหมองและความผ่องแพ้วของภาวนาด้วยญาณ จึงได้ร่าเริงใจแล้วทำให้จิตบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วด้วยประการนั้นนั้นฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้กล่าวไว้ว่านักศึกษาพึงเข้าใจว่าความร่าเริงใจจะมีได้ก็ด้วยอํานาจความสาเร็จแห่งการทากิจของญาณให้ผ่องใสโดยยังภาวะที่ธรรมะทั้งหลายไม่กัมเกินกันเป็นต้นให้สําเร็จ ยานปรากฏชัดด้วยอุเบกขาเพราะในภาวนาจิตนั้นยานย่อมปรากฏด้วยอํานาจอุเบกขาเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ในคัมภีปฏิสัมพิทามรึกว่าโยคีบุคคลย่อมเพ่งดูเฉยซึ่งจิตที่ตนประคองไว้อย่างนั้นเป็นอย่างดีปัญญีรียย่อมมีประมาณยิ่งด้วยอํานาจอุเบกขาด้วยอํานาจปัญญา จิตยอมหลุดพ้นจากกิเลสอันมีสภาวะต่างๆด้วยอำนาจอุเบกขาปัญญซีย่อมมีประมาณยิ่งด้วยอำนาจความหลุดพ้นคือศรัทธากับปัญญาและวิริยะกับสมาธิและด้วยอำนาจปัญญาย่อมมีรสเป็นอันเดียวกันคือทำกิจเท่ากันเพราะผลที่มีรสเป็นอันเดียวกัน จึงชื่อว่าภาวนาฉะนั้นความร่าเริงอันเป็นกิจแห่งญาณท่านจึงกล่าวว่าเป็นความงามในที่สุดชะนี้อธิบายปฐมฌานปัทวีกษินบัดนี้จะอถาธิบายในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า ปฐมฌานปถวีกสินย่อมเป็นอัญโยคีบุคคลนั้นได้บรรลุแล้วต่อไปที่ชื่อว่าปฐมซึ่งแปลว่าที่หนึ่งเพราะเป็นลำดับแห่งการคำนวณที่ชื่อว่าปฐมเพราะว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกดังนี้ก็ได้ที่ชื่อว่าฌานเพราะเพ่งอารมณ์อีกอย่างหนึ่ง ที่ชื่อว่าฌานเพราะเผาธรรมะอันเป็นข้าศึกมีนิวรณเป็นต้นละมณฑลแห่งดินคือวงกลมแห่งดินเรียกว่าปัตวีกสินด้วยความหมายว่าดินทั้งสิน้นคําว่ากสินหมายความว่าทั้งปวงทั้งสิน้นหรือทั่วทั้งหมดอธิบายว่า ต้องใช้ตาจับเอาทั่วมนลทนแห่งกสินทั้งหมดนิมิต ท, ที่ได้เพราะอาศัยปฐวีกสินนั้นก็ชื่อว่าปฐวีกระสินชานที่ได้นิมิตปฐวีกรสินก็เรียกว่าปฐวีกรสินในสองอย่างนั้นนักศึกษาพึงทราบว่าชานปฐวีกรสินประสงค์เอาในอาธิบายนี้ มีใช้นนมิตรปัทวีกสินข้าพเจ้าหมายเอาฌานปัทวีกสินนั้นจึงเด็กล่าวไว้ว่าปฐมฌานปัทวีกสินย่อมเป็นอัญโยคีบุคคล น, นั้นได้บรรลุแล้วด้วยประการชนีต้องจำอาการที่บรรลุฌานไว้ให้แม่นยำ ก็แหลเมื่อได้บรรลุปฐมฌานอย่างนี้แล้วอัญโยคีบุคคลนั้นพึงกำหนดสังเกตอาการทั้งหลายขณะที่ได้บรรลุไว้ให้แม่นยำเหมือนนายขมังธนูผู้หญิงขนทายและเหมือนดังพ่อครัวเปรียบเหมือนนายขมังธนูนยิงขนทายอธิบายว่าเหมือนนายขมังธนูผู้ชาญฉลาด ประกอบกรรมในการยิงคนไายเมื่อยิงถูกขนไายในวาระใดเขาจะพึงกำหนดสังเกตอาการที่ยันเท้าอาการแห่งคันธนูอาการแห่งสายธนูและอาการแห่งลูกธนูในวาระนั้นไว้อย่างแม่นยำว่าเรายืนท่านี้จับคันธนูท่านี้ขึ้นสายธนูอย่างนี้วางลูกธนูอย่างนี้แล้วจึงยิงขนไส จำเดิมแต่นั้นเขายัางอาการเหล่านั้นให้ถึงพร้อมอยู่ด้วยประการนั้นนั่นหละย่อมยิงถูกคนทรายยังไม่ผิดพลาดเลยฉันใดแม้อันโยคีบุคคล น, นี้ก็ฉันเดียวกันนั่นแหละคือเธอพึงกาหนดสังเกตกิริยาอาการทั้งหลายมีอาการอันเป็นที่สบายเป็นต้นเหล่านี้ว่าเราบริโภคอาหารชนิดนี้คบหาสมาคมบุคคลเห็นปานนี้ จึงได้บรรลุปฐมฌานนี้ในเสนาสนะชนิดนี้ด้วยอิริยาบถอย่างนี้ในเวลาเช่นนี้ครั้นสังเกตจดจำอาการไว้ได้อย่างนี้แล้วแม้เมื่อสมาธิขั้นอ่อนๆ น, นั้นเสื่อมหายไปโยคีบุคคล น, นั้นจะสามารถเพื่อที่จะทำอาการเหล่านั้นให้ถึงพร้อมแล้วทำสมาธินั้นให้กลับเกิดขึ้นอีกได้ หรือจากสามารถเพื่อที่จะทำสมาธิที่ยังไม่คล่องแคล่วให้คล่องแคล่วกลับเป็นอัปปนาสมาธิบ่อยๆโดยไม่ลำบากเลยเปรียบเหมือนพ่อครัวอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนพ่อครัวทำการเลี้ยงอาหารเจ้านายคอยสังเกตอาการนั้นๆที่เจ้านายชอบบริโภคไว้เป็นอย่างดีแต่นั้น ก็พยายามเตรียมจัดเฉพาะแต่สิ่งที่เจ้านายชอบใจเท่านั้นเข้าไปให้เขาย่อมจะเป็นผู้มีส่วนได้รับรางวัลฉันใดแม้โยคีบุคคนนี้ก็ฉันเดียวกันนั่นเทียวคอยกำหนดจับเอาอาการทั้งหลายมีอาการอันเป็นที่สบายเป็นต้นในขณะที่บรรลุปฐมฌานแล้วยังอาการเหล่านั้นให้ถึงพร้อมอยู่เสมอไม่ให้เลอะเลือนเมื่อสมาธินั้นเสื่อมหายไป ก็ยอมจะได้อปปนาสมาธิกลับคืนมาเสมอเสมอเพราะฉะนั้นอัญโยคีบุคคล น, นั้นจึงจำต้องคอยสังเกตจำอาการทั้งหลายในขณะที่บรรลุปฐมฌานไว้เหมือนดังนายขมังธนูผู้หญิงขนสายและเหมือนดังพ่อครัวข้อนี้สมจริงดังพุทธวจนะที่พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงไว้ในคำภีสังยุตตนิกายมหาวารวักซึ่งมีความว่าพระบาลีรับสมอ้างข้ออุปมาภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าพ่อครัวผู้ชำนาญในการทำครัวมีปรีชา ย, ยานชาญฉลาดทำการต้อนรับพระราชาหรือมหาอัมมาศของพระราชาด้วยอาหารทั้งหลายนาน า, นาชนิด คืออาหารที่มีรสเปรี้ยวบ้างมีรสขมบ้างมีรสเผ็ดบ้างมีรสหวานบ้างมีรสกร่อยบ้างมีรสไม่กร่อยบ้างมีรสเค็มบ้างมีรสจืดบ้างภิกษุทั้งหลายพ่อครัวผู้ชนานาญในการทำครัวมีปริชายานชานสลาดนั่นแหละเขายอมคอยจับดูอาการของเจ้านายของตนว่าวันนี้เจ้านายของเราชอบอาหารชนิดนี้ หรือเจ้านายของเราเอื้อมมือเอาอาหารอย่างนี er so ้หรือเจ้านายของเราหยิบอาหารชนิดนี้มากหรือเจ้านายของเราพูดชมคุณอาหารอย่างนี้หรือว่าวันนี้เจ้านายของเราชอบอาหารมีรสเปรี้ยวหรือเอื้อมมือเอาแต่อาหารที่มีรสเปรี้ยวหรือชอบหยิบเอาอาหารมีรสเปรี้ยวเป็นส่วนมากหรือพูดชมคุณอาหารที่มีรสเปรี้ยว หรือว่าผู้ชมคุณอาหารที่มีรสจืดภิสษุทั้งหลายพ่อครัวผู้ชำนาญในการทำครัวมีปริชาญาณชาญสลัดนั่นแลเขายอมได้เครื่องนุ่งห่มด้วยได้เครื่องบาเหน็จรางวัลด้วยได้เครื่องบรรณาการด้วยข้อนั้นเพราะมีอะไรเป็นเหตุภิสษุทั้งหลายเพราะว่าพ่อครัวผู้ชำนาญในการทำครัว มีปรีชาญาณฌานฉลาดนั้นเขาคอยจับดูอาการของเจ้านายของเขาด้วยประการดังกล่าวแล้วฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ชำนาญมีปรีชาญาณฌานสลาดบางรูปในศาสนานี้ก็ฉันเดียวกันนั่นแหลคือเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาความดีใจและโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสยได้เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่จิตย่อมเป็นสมาธิอุปาิเลธทั้งหลายย่อมหายไปเขาย่อมจ้องจับเอานิมิตนั้นได้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ชำนาญมีปรีชาญาณฌานฉลาดนั่นแหลยยอมได้การอยู่เป็นสุขในปัจจุบันยอมได้สติและสัมปัชชญยะข้อนั้นเพราะมีอะไรเป็นเหตุเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะว่าภิกษุผู้ชำนาญมีปรีชาญาณฌานฉลาดนั้นคอยจ้องจับเอานิมิตแห่งจิตของตนได้เป็นเหตุโดยแท้ พึงรักษาฌานให้ดำรงอยู่ได้นานๆและเมื่อโยคียบุคคลทำอาการทั้งหลายให้ถึงพร้อมอยู่ด้วยการคอยจ้องจับเอานิมิตนั้นอปปนาสมาธิเพียงสาเร็จคืนมาได้อีกเท่านั้นแต่หาได้สาเร็จเป็นการให้ดำรงอยู่ได้นานๆไม่ส่วนที่จะได้อปปนาสมาธิดำรงอยู่ได้นานๆนั้นย่อมสาเร็จได้เพราะการชำระล้างธรรมะทั้งหลาย ที่เป็นค่าศึกแก่สมาธิให้สะอาดด้วยดีเหตุอยู่ในสมาบัติไม่ได้นานจริงอยู่ภิกษุใดไม่ได้ข่มกามชันทะนิวรไว้เป็นอย่างดีด้วยอุบายวิธีมีการพิจารณาเห็นโทษของการเป็นต้นไม่ได้ทำความกระวนกระวายทางกายให้สงบลงด้วยดีด้วยอํานาจทำกายให้สงบ ไม่ได้บรรเทาที่ณมิทานิวรด้วยดีด้วยอำนาจบรณสิการถึงอารามพรธาตุคือการปรารกความเพียรเป็นต้นไม่ได้ถอดถอนออกด้วยดีซึ่งอุทจจะกุกกุจานิวรด้วยอำนาจบรณสิการถึงสมถานิมิตเป็นต้นแม้ธรรมะทั้งหลายอันเป็นข้าศึกแก่สมาธิอย่างอื่นอย่างอื่นก็ไม่ได้ชำระล้างให้สะอาดด้วยดีแล้วเข้าสู่ฌานสมาบัติ ภิกษุนั้นย่อมจะออกจากฌานสมาบัติเสดโดยเร็วพลันนั่นเทียวเหมือนแมลงผู้ที่เข้าไปโพรงที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ได้ชำระให้สะอาดและเหมือนพระราชาที่เสด็จเข้าไปสู่พระราชอุทยานที่สศกกระปรกย่อมไม่สามารถที่จะทรงทนอยู่ได้นานเหตุให้อยู่ในสมาบัติได้นาน ส่วนภิกษุใดชาระธรรมะทั้งหลายอันเป็นค่าศึกแกสมาธิให้สะอาดด้วยดีซะก่อนแล้วจึงเข้าสู่ฌานสมาบัติภิกษุนั้นย่อมจะอยู่ได้ภายในแห่งสมาบัตินั่นแหลแม้ตลอดกาลอันเป็นส่วนแห่งวันทั้งสิ้นทีเดียวเหมือนมแมลงผู้ที่เข้าไปยังโพรงที่อยู่อาศัยซึ่งได้ชาระให้สะอาดแล้วเป็นอย่างดี และเหมือนพระราชาเสด็จเข้าสู่พระราชอุทยานที่สะอาดเป็นอย่างดีฉะนนั้นด้วยเหตุนั้นท่านโบราณอาจารย์จึงได้ประพันธ์สุภาษิตไว้ซึ่งมีความว่าโยคีบุคคลพึงกำจัดปัดเป่าเสียซึ่งความพอใจในกามทั้งหลายหนึ่งความเครียดแค้นหนึ่งความฟุ้งซ่านหนึ่งความเสื่องซึมหนึ่ง และความสงสัยเป็นที่ห้าแล้วพึงมีใจปราโมทซึ่งเกิดแต่ความสั ง, งัดจากนิวรกิเลสอภิรมชมชื่นอยู่ในฌานนั้นเหมือนพระราชาที่เสด็จไปสู่พระราชอุทยานที่สะอาดตลอดสุดบริเวณย่อมทรงอภิรมชมชื่นอยู่ในพระราชอุทยานนั้นฉะนั้นเพราะเหตุฉะนั้น อันโยคยีบุคคลผู้ใคร่จะให้ชาญนั้นดำรงอยู่ได้ น, น, นานๆก็จงชำระธรรมทั้งหลายอันเป็นค่าศึกแก่สมาธิมีการะฉันทะนิวรณ์เป็นต้นให้สะอาดแล้วจึงเข้าสู่ชาในสมาบัตินั่นเถิดการขยายปฏิภาคณิมิตอีกประการหนึ่งโยคยีบุคคลผู้ชาณลาพีนั้น ขึนขยายปฏิภาคณิมิตตามที่ได้มาแล้วทั้งนี้เพื่อความเจริญภัยบูนแห่งสมาธิภาวนาภูมิที่จะขยายปฏิภาคณิมิตนั้นมีสองภูมิได้แก่อุปจาระภูมิหรืออปนาภูมิกล่าวคือโยคีบุคคลบรรลุถึงอุปจาระภูมิแล้วขยายปฏิภาคณิมิตนั้นก็ได้ บรรลุถึงอัปนาภูมิแล้วขยายปฏิภาคานิมิตนั้นก็ได้แต่ที่จริงแล้วจะพึงขยายได้ในฐานะอันเดียวด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าพึงขยายปฏิภาคานิมิตตามที่ได้มาแล้วฉะนนี้วิธีขยายปฏิภาคานิมิต แนวทางแห่งการขยายปฏิภาคนิมิตนั้นดังต่อไปนี้อัญโยคีบุคคลอย่าได้ขยายปฏิภาคณนิมิตนั้นด้วยวิธีที่ขยายของบาทวิธีขยายของขนมวิธีขยายของข้าวสุกวิธีขยายของเถ า, ย า, ยาวันและวิธีขยายของผ้าอธิบายว่าการขยายบาทให้โตหรือการขยายผ้าที่ทอให้ยาวนั้น มิได้กำหนดไว้ก่อนย่อมขยายไปเองตามวิสัยของแต่ละอย่างหรือเท่าที่จะขยายไปได้พึงกะกำหนดประมาณแห่งนิมิตตามที่ได้มา น, นั้นด้วยใจไว้ก่อนว่าประมาณหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วโดยลำดับแล้วจึงขยายไปเท่าที่กะกำหนดไว้เหมือนอย่างชาวนากะกำหนดสถานที่ซึ่งจะไถไว้ด้วยไถยก่อน และจึงไถเนื้อที่ภายในที่กาหนดไว้และอีกประการหนึ่งเหมือนภิกษุสงฆ์จะผูกสีมากาหนดนิมิตทั้งหลายไว้ก่อนแล้วจึงผูกภายหลังฉะนั้นเมื่อไม่ได้กะกาหนดเสียก่อนแล้วอย่าพึงขยายครั้นกะกาหนดขยายไปได้ขนาดสีนิ้วแล้วแต่นั้นพึงขยายออกไปด้วยกาหนดเอาชั่วคืบหนึ่งสอกหนึ่ง ชั่วหน้ามุกหนึ่งบริเวณหนึ่งชั่ววัดหนึ่งหรือชั่วเขตหมู่บ้านหนึ่งชั่วตำบลหนึ่งชั่วอำเภอหนึ่งชั่วจังหวัดหนึ่งชั่วประเทศหนึ่งและชั่วมหาสมุทรหนึ่งหรือพึงกำหนดขยายเขตออกไปชั่วจักรวาลหนึ่งหรือแม้กว้างใหญ่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ได้เปรียบเหมือนลูกนกหง เหมือนอย่างลูกนกหงประเภทที่มีกำลังเร็วนับแต่เวลาที่ขนปีกทั้งหลายงอกขึ้นเต็มที่แล้วมันฝึกบินโฉบขึ้นไปคราวละเล็กละน้อยก่อนครั้นฝึกให้ชำนิชำนาญแล้วย่อมบินไปถึงที่ไกลโลกพระจันทร์โลกพระอาทิตย์ก็ได้โดยลำดับฉันใดภิกษุผู้ชานลลาภีก็ฉันเดียวกันนั่นเทียวคือเมื่อกาหนดขยายนิมิตออกไปโดยในยะที่กล่าวแล้ว ย่อมขยายออกไปจนถึงจักรวาลหนึ่งเป็นกำนดหรือแม้ขยายให้กว้างใหญ่ ย, ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ปฏิภาคนิมิตนั้นย่อมจะปรากฏแก่เธอในที่ขยายไปแล้วนั้นๆเหมือนนางโคตัวผู้ที่ถูกเกี่ยวไว้ด้วยขอตั้งร้อยอันณตรงที่ดอนที่ลุ่มแห่งแผ่นดินตรงที่กดโค้งแห่งแม่น้ำและตรงที่ลดหลั่นแห่งภูเขา ต้องทำให้ชำนาญด้วยวาสีห้าก็แลยโยคีบุคคลผู้แรกทำกรรมฐานซึ่งได้บรรลุปฐมฌานในเพราะปฏิภาคานิมิตนั้นต้องฝึกการเข้าฌานให้มากๆแต่ยาพิจารณาองค์ฌานให้มากเพราะเมื่อพิจารณามากองค์ฌานทั้งหลายก็จะปรากฏเป็นสภาวะที่หยาบมีกำลังน้อย และเพราะเหตุปรากฏด้วยอาการอย่างนั้นองค์ชาเหล่านั้นก็จะถึงซึ่งความเป็นปัจจัยแก่ความขวนขวายเพื่อภาวนาเบื้องสูงขึ้นไปเสียเมื่อเธอสาลวณขวนขวายอยู่ในชาตที่ยังไม่คล่องแคล่วเธอก็จะเสื่อมจากปฐมชาตที่ได้บรรลุแล้วด้วยจะไม่สามารถเพื่อที่จะบรรลุซึ่งทุติยชาตด้วย พระ บ, บาลีรับสม้างเพราะฉะนั้นพระผูบบ้มีพระภาคจึงทรงเทศนาไว้ว่าเปรียบเหมือนแม่โคโง่ไม่ชนานาญภูเขาภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างแม่โคที่ชอบเที่ยวไปตามภูเขาตัวที่โง่ไม่ชํานาญไม่รู้เขตที่หากินไม่ฉลาดเพื่อท่องเที่ยวไปตามภูเขาอันไม่เรียบราบ แม้โคนั้นจะพึงคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรน้อเราจะพึงไปทิศ ท, ที่ยังไม่เคยไปจะพึงได้กัดหญ้าที่ยังไม่เคยได้กัดกินจะพึงได้ดื่มน้าที่ยังไม่เคยได้ดื่มครั้นแล้วมันยังไม่ทันได้เหยียบเท้าหน้าไว้ให้ได้ที่ดีซก่อนเรายกเท้าหลังขึ้นมันก็จะไม่พึงไปถึงทิศ ท, ที่ตนไม่เคยไปไม่พึงได้กัดกินหญ้าที่ตนยังไม่เคยกัดกิน และไม่พึงได้ดื่มน้ำที่ตนยังไม่เคยดื่มมิหนำซ้ำ ม, มันยังไม่พึงกลับคืนมาโดยสวัสดียังสถานที่เดิมที่มันยืนคิดอยู่ว่าทำอย่างไรหนาเราจะพึงไปถึงทิศที่ยังไม่เคยไปจะพึงได้กัดกินหญ้าที่ยังไม่เคยได้กัดกินจะพึงได้ดื่มน้ำที่ยังไม่เคยได้ดื่มฉันนี้ด้วยข้อนั้นเพราะมีอะไรเป็นเหตุเล่าภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุว่าแม่โคที่ชอบเที่ยวไปตามภูเขานั้นมันโง่มันไม่ชำนาญมันไม่รู้จักเขตที่หากินมันไม่ฉลาดเพื่อที่จะท่องเที่ยวไปตามภูเขาอันไม่เรียบราบโดยแท้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็ฉันเดียวกันนั่นเที่ยวคือเป็นคนโง่เพราะไม่ได้ซ่องเสพสมถนิมิตเป็นคนไม่ชนานาญ เพราะไม่ทำสมาธิให้เจริญขึ้นเป็นคนไม่รู้จักขอบเขตเพราะไม่หมั่นทำให้มากละเป็นคนไม่ฉลาดเพื่อที่จะบรรลุซึ่งปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่ความสงัดอยู่เพราะสงัดแล้วแน่นอนจากการมทั้งหลายเพราะสงัดแล้วแน่นอนจากอากุศลและธรรมทั้งหลายภิกษุนั้น ไม่ได้ส้องเสพนิมิตนั้นไม่ทำนิมิตนั้นให้เจริญขึ้นไม่ทำให้มากๆเข้าไม่ทำให้ตั้งอยู่ด้วยดีซึ่งเธอจะมีความคิดอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอเราจะพึงบรรลุถึงซึ่งทุติยชาญอันเป็นภายในประกอบด้วยความเลื่อมใสแห่งจิตมีภาวะที่ให้ธรรมะอันประเสริฐเกิดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไปแล้วมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิเธอก็ไม่สามารถเพื่อที่จะบรรลุถึงซึ่งทุติยฌ า, านนั้นได้ซึ่งเธอจะมีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอเราจะพึงบรรลุถึงซึ่งปฐมฌานอันมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขซึ่งเกิดแต่ความสงัดอยู่เพราะสงัดแล้วแน่นอนจากกามทั้งหลาย เพราะสังักตแล้วแน่นอนจากอากุสนละธรรมทั้งหลายเธอก็ไม่สามารถเพื่อที่จะบรรลุถึงซึ่งปฐมฌานนั้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้พลัดตกเสียแล้วจากฌานทั้งสองเป็นผู้เสื่อมสูญแล้วจากฌานทั้งสองเปรียบเหมือนแม่โคที่ชอบเที่ยวไปตามภูเขาซึ่งเป็นสัตว์โง่ไม่ชนานาญ ไม่รู้จักขอบเขตที่หากินไม่ฉลาดเพื่อท่องเที่ยวไปตามภูเขาอันไม่เรียบราบนั้นเพราะเหตุนั้นอัญโยคีบุคคล น, นั้นจำต้องเป็นผู้สั่งสมวสีคือความสามารถด้วยอาการห้าอย่างในปฐมฌานนั้นนั่นเทียวเสก่อนวสีห้าอย่าง ในการสั่งสมวสีนั้นวสีห้าอย่างดังนี้คือหนึ่งอวัชนวสีความสามารถในการพิจารณาองค์ชานด้วยมโนทวาราวัชนะจิต 2. สมาปัชนาวสีความสามารถในการเข้าฌาน 3. อธิฐานาวสีความสามารถในการเข้าฌาน ดำรงอยู่ตามกำหนดนสี่บุทนาวสีความสามารถในการออกจากฌานตามกำหนดและห้ 5. ปัจเจเวคขณะวสีความสามารถในการพิจารณาองค์ฌานด้วยชาวนาจิตฌานนาลาพีบุคคลย่อมสามารถพิจารณาปฐมฌานตามที่ตนปรารถนาตลอดเวลาที่ต้องการ และในการพิจารณานั้นไม่มีความชักช้าเฉื่อยชาดังนั้นจึงเรียกว่าอาวัชนาวสีความสามารถในการพิจารณาองค์ฌานฌานลาภีบุคคลย่อมสามารถเข้าปฐมฌานได้ตามที่ตนปรารถนาทุกครั้งตลอดเวลาที่ต้องการและในการเข้านั้นก็ไม่มีความชักช้าเฉื่อยชาดังนั้น จึงชื่อว่าสมาปัชชนะวสีความสามารถในการเข้าฌานแม้วสีสามที่เหลือนักศึกษาก็พึงขยายความให้พิสดารโดยทํานองเดียวกันนี้อธิบายวสีห้าอย่างก็แลในวสีห้าอย่างนั้น มีอธิบายดังต่อไปนี้หนึ่งอธิบายอาวัชนาวสีขณะเมื่อชานลาภีบุคคลออกจากปฐมชาญแล้วพิจารณาถึงองค์ชาญที่หนึ่งคือวิตกนั้นชาวนาจิตทั้งหลายซึ่งมีวิตกเป็นอารมณ์นั่นแลยยอมแล่นไปบางบุคคลก็สีขณะ บางบุคคลก็ห้าขนะต่อจากมโนทวาราวชนาจิตที่ตัดภาวังเกิดขึ้นนั้นถัดนั้นภวังะจิตก็เกิดขึ้นสองขนะต่อจากผวังขจิตนั้นมโนทวาราวชนาจิตมีวิจารเป็นอารมณ์ก็เกิดขึ้นต่อไปอีกชาวนาจิตทั้งหลายซึ่งมีในยะดังกล่าวแล้วนั่นแหลก็เกิดขึ้น ต่อจากมโนทวาราวัชณะนั้นการใดที่ชานลาภีบุคคลสามารถส่งจิตไปพิจารณาในองค์ฌานทั้งห้าติดต่อกันดังกล่าวมานี้การนั้นชื่อว่าอาวัชนะวสีย่อมสำเร็จแก่เธอและอวัชนะวสีที่กล่าวมานี้ที่จัดเป็นวสีชั้นสูงถึงขั้นสุดยอดย่อมมีได้แต่ในขณะที่พระผู้มีพระภาค ทรงแสดงพระยะมกะปาฏิหารหรือในขณะที่เป็นที่บังเกิดขึ้นแห่งอาวัชนะวสีอย่างฉับพลันของท่านพระธรรมมาเสนาบดีสารีพุตตะเป็นต้นนอกเหนือไปจากนั้นแล้วอาวัชนะวสีที่รวดเร็วฉับพลันเช่นนี้หาไม่ไมีสออธิบายสมาปัชนะวสี และความสามารถในการเข้าชานได้อย่างฉับพลันเหมือนในการที่ท่านพระมหาโมคลานะทรมานพยานันโทปนันทะนาคราชชื่อว่าสมาปัชชนะวสีสอธิบายอธิฐานวสีความสามารถเพื่อที่จะทำให้ชาญ ด, ดำรงอยู่ได้ ชั่วขณะประมาณลัดนนิ้วมือหนึ่งหรือชั่วขณะประมาณสิบลัดนิ้วมือก็ดีชื่อว่าอธิฐานวสีสอธิบายวุฒานวสีความสามารถเพื่อที่จะออกจากฌานได้อย่างฉับพลันชั่วขณะประมาณลัดนิ้วมือหนึ่งหรือชั่วขณะประมาณสิบลัดนิ้วมือก็ดี ชื่อว่าวุฒนานวสีการข่มผวังขจิตไว้ไม่ให้เกิดขึ้นเพื่อให้ชานดำรงเป็นไปตามเวลาที่ต้องการเหมือนสะพานกั้นกระแสน้ําไม่ให้ไหลไปเร็วชื่อว่าอธิษฐานเมื่อผวังขจิตเกิดขึ้นแล้วก็ชื่อว่าวุฒฐาน คือการออกจากฌานความสามารถในอันให้ฌานดำรงอยู่ได้คือไม่ให้พวังขจิตเกิดด้วยอำนาจแห่งการบริการเบื้องต้นว่าจะให้ฌานดำรงอยู่ชั่วขณะประมาณเท่านั้นเท่านี้ชื่อว่าอธิฐานวสีฉันใดความสามารถในอันออกจากฌานด้วยอำนาจบริการเบื้องต้นว่าเราอยู่ในฌาน จะออกจากฌานชั่วขณะประมาณเท่านั้นนักศึกษาพึงทราบว่าเป็นวุธานวสีชันนั้นเพื่อที่จะแสดงวสีทั้งสองคืออธิฐานวสีกับวุธานวสีให้แจ่มแจ้งควรนำเรื่องพระพุทธรักิตเถระมาเล่าประกอบด้วยดังต่อไปนี้ เรื่องพระพุทธรักขิตะเถระได้ยินมาว่าท่านพุทธรักขิตะเถระนั้นจำเดิมแต่อุปสมบทมาได้แปดพันษาขณะที่ท่านนั่งอยู่ณธรรกลางพระเถระผู้ทรงฤทธิ์ทั้งหลายประมาณสามพันองค์ซึ่งพากันมาอย่างที่เยี่ยมไข้ของพระมหาโรหณะคุตตะเถระที่เถรมพัฒละวิหาร ท่านได้เหลียวเห็นพยาครุดกำลังโฉบลงมาจากอากาศด้วยหมายว่าจากเฉี่ยวเอาพญานาคผู้อุปถากซึ่งกำลังถวายข้าวต้มแก่พระเทระอยู่ท่านจึงนิรมิตภูเขาขึ้นในทันใดนั้นแล้วฉ่วยเอาพญานาคมาไว้ในวางแขนแล้วใส่เข้าไปในหลือภูเขาที่ท่านนิรมิตขึ้นนั้นฝ่ายพยาครุดกระทบเข้ากับภูเขาเข้าปังใหญ่แล้วก็บินหนีไป พระมหาโรหณ n a คุตตะเทระจึงได้พูดสรรเสริญว่าอาวุโสทั้งหลายถ้าไม่ได้มีพระภิกษุพุทธรักขิตะแล้วเราทั้งหมดนั้นก็จะถูกขอรหาว่าผู้มีฤทธิ์มากมายถึงเพียงนี้ไม่สามารถรักษาอุปถากเพียงคนเดียวให้รอดพ้นจากครุฑได้ฉั่นนี้ข้อนี้อธิบายว่าพระพุทธรักขิตะเทระ พอเหลียวเห็นพยากรุดบินมาก็รีบเข้าชานแล้วรีบออกทําชานให้เป็นประทัดฐานแสดงอภิน ญ, ญาคือนิริมิตภูกเขาขึ้นขวางพยากรุด้วยฉับพลันทันทีก่อนที่พยากรุดจะมาถึงเฉียวเอาพญานาคไปเมื่อพระเถรา จ, จับพญาน้คเข้าซ่อนไว้ในหลือผูกเขาแล้วพยากรุดยังไม่ทันถึงจึงกระทบเข้ากับภูกเขาอย่างแรงเมื่อเห็นเสียท่าไม่ได้การแล้วจึงบินหนีไป นี่แสดงถึงความสามารถด้วยวสีทั้งสองหมายเหตุผู้อา่านสำหรับท่านที่ไม่เชื่อเรื่องพญานาคหรือครุฑนั้นอยากให้เผื่อใจไว้สักนิดนะครับว่าครุฑและพญานาคมีชนิดที่เป็นกำเนิดหนึ่งคืออบปฏิกะไม่มีกายหยาบและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะครับอะไรที่ไม่เห็นอาจไม่ใช่ว่ามันไม่มีจริง แต่ต้องปฏิบัติให้ถึงจุดก่อนเท่านั้นถึงจะได้เห็นจึงฝากไว้ให้ทุกท่านพิจารณาด้วยนะครับห้าอธิบายปัจจเวขณะวสีส่วนปัจจเวขณะวสีนั้นเป็นอันข้าพเจ้าได้แสดงไว้แล้วในอวัชนาวสีนั้นแล้วเพราะปัจจเวขณะชวนาสีหรือห้าขณะนั้น ย่อมเกิดขึ้นติดต่อมโนทวารวัชนะในวิธีจิตเดียวกันนั้นกล่าวคือชวนาจิตสีหรือห้าคณะเหล่าใดซึ่งเกิดขึ้นต่อจากมโนทวารวัชนะจิตที่ทำหน้าที่พิจารณาองค์ฌานมีวิตกเป็นต้นตามลำดับโดยความเป็นอาวัชนะวสีชวนาจิตเหล่านั้นก็ทำหน้าที่พิจารณาองค์ฌานเหล่านั้น โดยความเป็นปัจเจเวคขณะวสีด้วยนักศึกษาพึงทราบว่าความสำเร็จเป็นอวชนาวสีด้วยอารมณ์ใดความสำเร็จเป็นปัจเจเวคขณะวสีก็ด้วยอารมณ์นั้นด้วยประการชนนี้